ธสมรมะตัวตังสักหน่อยนะ <c oughs> พูดถึงโลกพูดมานานแล้ว <c oughs> ของโลกของธรรมก็อาศัยสิ่งกันและกันอยู่นั่นเน <c oughs> ี่ยโลกคือทำทำคือโลกแต่สติปัญญาสรชางตามงรู้ของใครที่จะนำมาใช้นี่พิจารณาสอนใจตัวเอง เราเกิดม า, เ, าเป็นอยู่อย่างนี้เราตายไปมันก็คงเป็นอยู่อย่างนี้จะให้มันประม่ำเส ม, มอราบรื่นเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปตามเรื่องของโลกอยู่อย่างนั้นเราอยากจะให้มันถูกตามติดตามใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างไปมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้โลกนี้ก็มีใครที่อยากแก่นี้ อยากโง่ไปว่าอยากได้อะไรเป็นไปตามคามปรารถนาของตัวนี่มันเป็นแบบนั้นพระพุทธเจ้าเอ ง, งเคยสร้างสมปปารมีมาเคยโดนเรื่องเหล่านี้จนเจรณาหาทางที่จะแก้ไขตามเป็นไป ของเกิดตายทึงเนศเด็จที่เนศโกมในมมอย่างนั้นท่านก็จะโจมอยู่ในจีเลตันหาเหมือนพวกเราทั้งหลายข <c oughs> ันพิเชนาหรือใบแหวกคลายการเกิดการตายเป็นของที่ไม่ต้องการปรารถนาเผื่อติใดก็จะต้องมีแจริญตายอยู่อย่างนั้น เมื่อมีแก่มีเจ็บมีตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะไม่มีหรือขันที่นี่พิจรารณาถึงแม้ขันจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นกษัตริย์ปกครองไผ่ฟ้าประชาราถั่วไปสอต่ำแต่จะบังคับบัญชาความแก่ความเจ็บความตายของตัวบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อบังคับตัวไมยด้บังคับคนอื่นก็ไม่ได้ คหาทางที่พิจารณาหาธรรมะที่เนื้อเกิดตายมาเน่นสอนโลกแต่หากท่านไม่เสด็จพิเนตไป ก, กรมท่านยังมัวเมาเดี่ยวข้องกับคารวาะอยู่ท่านคงไม่มีความรู้ความสามะที่จะมาเน่นสอนสัพพสัต หวกเรานับว่าเป็นผู้ที่มีบุญวาดาสนาเกิดมาเ พ, พาราะพระพุทธศาสนาที่ท่านเนียสอนทางเดินสู่ความสุขหรือทางเดินสื่ผลทุกข์ในวัตาสงสารการเรียนวหายตายเกิดของพวกเราท่านโดยส่วนใหญ่ โดยนิญาณภายในไม่ทราบได้ว่าเคยเกิดเค ย, เคยตายเคยสุขเคยทุกข์อย่างไรข่อใจว่าเกิดชาติเดียวเป็นอย่างไรตั้งมัน่นความจิตเห็นหรือสายตาสันส้นๆมากิจไปจำลองนั้นยิ่งกล้าทําความชั่วความเสียต่างๆโดยไม่ได้คิดว่าชั่วเองจะได้รับผลกรรมที่ทําไปหาใครคิด บากรรมทิดทําลงไปในว่าทางกายวาใจาใจไม่มีใครคนอื่นจะเป็นคนรับให้จะต้องตามสนองตัวของตัวเองในวันใดกว่าวันหนึ่งถ้าคิดได้อย่างนั้นก็ไม่กล้าสามารถที่จะทำเพราะเราจะได้รับเราะกรรมนั้นนั้นนี่ไม่มอย่างนั้นคนพานส่วนใหญ่เขาจึงว่าทำบาปไม่เป็นบาปทาบุญไม่เป็นบุญ มรรคผลนิพพานอะไรไม่มีนรกอเวจีไม่มีมีความเห็นของเขาขาดการอบรมศึกษาขาดการพิจิตจารนาด่านของธรรมเขาก็เลยทำไปได้กเกิดชาติเดียวตายชาติเดียวไม่มีอะไรจะไปเกิดอีกเป็นไปอีกทำดีทำชั่วกวแค่นั้นแหละไปหาตายเขาคิดอย่างนั้นความคิดของเขา เพราะเขาขาดการศึกษาขาดครูอาจารย์แนวสอนและตัวเองก็ไม่เลยทีนี้พิจารณาแยบคายในการเกิดการตายของตัวถ้าหากเขาได้ศึกษาพิจรารณาหลักของกรรมของธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเขาไม่สามารถปล้าทรรมกรรม ขั่วต่างๆเพราะกลัวที่เราทำลงไปนิดหน่อยแต่ผลของความชั่วจะต้องให้ดอกให้ผลมากเหมือนกันกับเขาทำนาทำสวนข้าวที่ไปฟ้าปลูกก็ไม่มาก แ, แต่ผลเกิดขึ้นมากหลายจิตเท่า ามาเมล็ดหนึงหนึ่งถ้าปลูกในสถานที่ดีๆอาจจะได้ตั้งเป็นพันหรือ 2, สองพันเมล็ดมะพร้าวลูกเดียวปลูกลงไปก็จะต้องเกิดมะพาวกว่าต้นของมันจะตายแต่ต้นดีๆเป็นพันๆอีกเหมือนกันหรือมากกว่านั้นมีกรรมที่พวกเราท่านทําก็าเหมือนกันนิดๆหน่อยๆแต่สามารถที่จะ ที่ดอกออกผลให้ใหญ่โตดังนั้นจึงควรลัวกรรมชั่วต่างๆกรรมดีที่สร้างเอาไว้ก็เหมือนกันในทําใหญ่โตเราโหดฐานเท่าไรแต่ก็เวลาที่ดอกออกผลให้ก็มีความสุกกายสุกใจแต่และลึกไม่ได้พอเราสบายมีสุขเพราะเราก็ทํากรรมอะไรเราทุกข์เดือดร้อนเพราะเราทํากรรมอะไร เพราะจิตใจของเราไม่มีญาณภายในและลึกได้ในการกระทําของตัวจากนั้นจึงไม่มีการกลัวเรื่องชัวยย่วเรื่องเสียต่างๆคนพานจึงส้ า, าท้าทายประทํากรรมอะไรไปก็มไม่เห็นผลอะไรผลสื่อสารสุจริตก็มไม่เห็นมั่งคั่งสมบูรณ์มุ่สุข ขนาดไหนคนพ้นที่หากินทุจริตเยอะอีกที่ล่ํารวยเขาคิดไปในแงน่นี้มุมนี้เพราะกรรมบางสิ่งบางอย่างก็ไม่นีปให้ผลอย่างเร็วพันบางสิ่งบางอย่างก็ให้ผลอย่างพันตาเห็นเหมือนพืชพันธุ์ที่เราปลูกลงไปบางสิ่งบางอย่าง ไม่กี่วันกี่เดือนก็ได้รับผลบางสิ่งบางอย่างกว่านานาก็จะเกิดผลให้กรรมที่เราทำลงไปเหมือนกันถ้าหากวินิจฉัยที่จรณาโดยความแน่ใจแล้วเรื่องกรรมที่ทำไปไม่ได้เสียหายให้ผลประจักษ์ชัดเจนแก่คนที่ทำลงไปไม่ว่าทำกรรมชั่วไม่ว่าทำกรรมดี หาตั้งใจทําอย่างจริงใจคิดดูง่ายๆบาปไม่มีหรือบาปมีเราจะทราบได้ค่ะเราทำบาปเราไหวเ้เขาก็ไหว้ต่อเราด่าเขาก็าด่าต่อเราตีเขาเขาตีต่อทําไมเป็นแบบนั้นนี่เป็นกรรมให้ผลไม่ใช่หรือเราด่าเขาแทนที่เขาจะ ให้สินให้อรเราว่าเราเป็นคนดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เราตีเขาแทนที่เขาจะรักให้ใจ ด, ดีกับเราไม่เป็นอย่างนั้นความชั่วที่ทำไปจะให้ผลปัจจุบันขาดที่นี้พิจรารณามีขาดการที่นี้พิจรารณาการทำดีก็เหมือนกันแตาทำดีจริงจังมีการให้ทานเสียตละมีการรักษา กายวายาาโดยศีลเป็นอย่างไรพระที่สุสามาเณรอยู่ในประเทศไทยมีจำนวนเป็น แ, แ, แทนแสนท่านไปทำมาค้าขายที่ไหนทำไมท่านอยู่ได้มีกินมีใช้พอสมควร <c oughs> เนื่องด้วยกรรมดีที่ญญท่านยอมเสียสละท่านรักษาศีลของท่านบริสุทธิ์อำนาจของกรรมดี ที่ท่านทำมานั่นแหละเป็นผูจีคุ้มครองรักษาให้ท่านมีความสุขความสบายนี่หมายถึงข่านนอกนอกซึ่งเราทั่วไปเห็นกันพอวินิจฉัยได้ถ้าหากคนๆ น, นั้นแหละถึงมาบวชเป็นพระเป็นเนน เป็นจีตาผาขาวประพฤตชั่วลงไปศีใหม่มีมีการห้าการขโมยต่างๆทั้งกิตต่อหน้าและรับหลังผู้คนประชาชนเห็นเข้าเขาเหลื่อมใจไหมเขาเต็มใจด่าว่ายดูแลไหมเป็นไปไม่ได้อยู่สถานที่ใดก็ถูกขับไล่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 ความจริงเคยทุกมากวาา ก, มากว่านี้ลำบากมากกว่านี้นับไม่ถ้วนเคยสุขมากกว่านี้ดีประเสริฐมากกว่านี้ก็นับไม่ถ้วนอีกเหมือนกันเพราะความเยน็นไหวใจเกิดด้ยวยแรงของกรรมที่เราทํามาทํากรรมดีไว้พอให้ผลได้รับความสุขความสบายทํากรรมชั่วไว้พอให้ผลเป็นทุกข์ทางตายทางใจมันเป็นมาอย่างนี้ เเรียนไหวตายเกิดจะต้องประสบพบเห็นเรื่อยไปไม่ว่าเขาว่าเราเป็นอย่างนั้นอี่หมายถึงผู้จิตท่องเที่ยวในวัฏจะกรายตายไปแต่จิตในหมดกิเลสตัณหาไม่ตายจากกิเลสตัณหาจะต้องมีการท่องเที่ยวเรียนไหวตายเกิดอยู่เรื่อยไปฉะนั้นทางศาสนาที่เป็นยอดของธรรมะ ที่พระผู้ใจเจ้ามีความประสงค์จริงจังาันจึงสอนให้พวกเราท่านภาวนาหาความสุขของใจการภาวนาเป็นความสุขล้ำค่าเป็นความสุขขี่มีสาระการกระทําลำบากยากเย็นเป็นบางท่านบางคนพาใจของพวกเราท่าน เคยติดข้องกับเรื่องวัตถุเรื่องโลกมาเป็นเวลานานจึงมีการผัดข้องจะนั่งก็ดีจะเดินก็ดีจะกำหนดจิตกำหนดใจก็ดีรู้สึกว่าอึดอัดลำบากเพราะฝ่าฝืนเรื่องกิเลสตัณหาจริ่งที่เคยผลักดันปิดใจมาแต่เก่าก่อแต่สิ่งที่มันชอบ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 เหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวง่วงเหาห้านอนต่างๆนี่คือเรื่องฝ่าฝืนจิตใจเพราะบังคับใจให้ทำใจไม่ชอบใจไม่ยินดีแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็ยังดีฝ่าการไม่ทำบังคับมันไปนานๆเข้ามันเห็นผลมันจะเชื่อจะเหลื่อมใส จะยินดีจิตใจทำเองเพราะผลเกิดจากการภาวนาการห้ามกั้นอารมณ์สัญญาไม่ให้เกี่ยวข้องกับใจบุิกรรมสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปจำอยู่หรือทีนี้พิจรารณาอวัยวะร่างกายของตัวให้่วถึงไม่จิตปรุงออกไปนอกเพื่อจะให้จิตอยู่จิตนิ่ง ไม่ให้จิตติดตามสัญญาอารมณ์มันเป็นของยากเพราะเกิดมาไม่เคยทำไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นเคย ร, รู้เรื่องเหล่านี้มางอยากจิตปรุงแต่เรื่องอื่นๆ น, น, นอกๆซึ่งเป็นเรื่องยุ่งเหยิงจิตใจไม่มีคุณค่ า, าอะไรแต่การมาบังคับ บ, บัญชาใจให้อยู่ในอัดในทำอยู่ในขอบในเขต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 เคยไปสบพบมาแบบความสุขส่วนนั้นเป็นอย่างไรถึงคนที่ไมนเคยพบมากว่าจะพอคิดได้ขาดได้แบบความสุขภายนอกที่เราชอบเรายินดีจิดข้องมันเป็นอย่างไรแต่พอมาไปสบความสงบของใจใจได้รับความสงบขาดจากสัญญาอารมณ์ภายนอกมีความสุข มีความสบายมีความสว่างสวัยมีความสงบเยือกเย็นภายในพะเทียบได้กับความสุขของโลกนั้นไม่มีวันเวลาที่จะเข้าถึงความสุขส่วนนี้แม้จะมีเงินมีทองมีเขา้ามีของมากมายขนาดไหนก็ไม่มีเวลาที่จะประสบ พบความสุขของใจอย่างการภาวนาจะรู้จะเข้าใจด้วยตัวของตัวเองว่าการภาวนานี้เป็นข้องดีวิเศษจิตรวมรวมเป็นข้องดีวิเศษเบาสบายสว่างสวัยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องนี่คือจิตสงบจิตลงรวมเมื่อเป็นอย่างนั้น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 ทำเรื่อยไปจิตใจเมื่อได้รับความสงบที่นิพิจนาคิดอ่านอะไรก็สว่างไสวเห็นตามเป็นจริงเรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญาํำละจิตใจที่จิตข้องเศร้าหมองต่างๆให้ตกออกขาดออกโดยส่วนใหญ่จิตใจเกาะเกีเ่ยวกับเรื่องวัตถุรูปที่เราเคยชอบเคยยินดี ว่ามันมีความสวยความงามอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อจิตยังไม่ปกติจิตยังมีกิเลสเป็นแนวหน้ามันจะปรุงไปคิดไปกำหนักรักไข่อยากกอดอยากจูเป็นไปต่างๆนาน า, นาตามเรื่องของกิเลสตัณหาถ้าหากมันชอบถ้ามันไม่ชอบก็เบียดโกรธไม่ยินดี มันมีอยู่อย่างนั้นเรื่องจิตใจของพวกเราท่านเมื่อจิตสงบพิจิพรจรนาเรื่องจิตจิตค่้องด้วยจิเลตัญหาอะไรเล่าที่เราหลงไหลรูปของเขากับรูปของเรามันเป็นไปอย่างไรผิดกันที่ไหนจึงไปยินดีติดใจใคายคิดเข้ามาภายในดูวัตถุคือรูปของตัว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 ถ้าเราไม่ยึดรู้เห็นตามเป็นจริงสิ่งนั้นมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรเราไปถือว่ามันสวยมันงามเพราะการเหม่พิณิพิจรารณาถือว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าหาพิจรารณาว่าในตัวของเรามีครบพอบริบูรณ์ธาตุสี่ขั้นหาดินน้าลมไฟยิิงชายเป็นสมุติไม่ใช่ของจริงของจริงเขากับเรา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 สิ่งเหล่านี้ยึดเข้าเป็นทุกขังสิ่งเหล่านี้บังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตานี่คือสติคือปัญญาเมื่อจิตสงบทีนนิพิจาณารู้เห็นตามเป็นจริงใจได้ปล่อยะละวาไม่ยึดมั่นถือมั่นถึงท่านจะมีชีวิตตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเราอยู่กว่าตามแต่ภายในของท่านไม่เหมือนเราเพราะ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 หาจิตใจหมดเรื่องของกิเลสตัณหาสำลักด้วยสติปัญญาด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้ามันเบามันสบายมันสุขมันปลาเสิร์ตพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกให้อบรมด้านภาวนามีด้านเดียวเท่านี้ที่จะยังกิเลสตัณหาให้กลัวเรื่องของใจหากไม่มีอัตชัมแล้วมันไม่มีเมืองพอ ได้เท่าไร่มันไม่พอมันจะพอมาจากที่ไหนมันเท่าตั้งแต่เรื่องของกายแกตั้งแต่เรื่องของกายจใจใจมันไม่แก่มันยังคิดยังปรุงยังติดยังขอ้องยังหลุ่มยังหลงเรื่อยไปถ้าไม่สํารกสาสาง่านจึงให้ชนิดที่เจอนาสํานะสรกสาสางหากอยากจะมีความสุขความสบายภายในใจสี่ ไม่สำราญส า, าสางใจที่มีกิเลสตัณหานำหน้าจะไปคิดเลยว่ามันจะมีความสุขนอกจากความหลงหลงชว่วท้าวได้ใหม่หมก็ดีใจนานเข้าก็เสียใจเกลียดชังไปไม่ยินดีนี่เรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นาหากเรื่องของธรรมไม่เป็นอย่างนั้นมันคงเส้นคงวา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 มันเป็นอย่างนั้นจง <c oughs> ควรฝึกอบรมจิตหากมันดบมันดีมันมีคุณธรรมมันมีความสุขหน้าตาก็ายิ้มยแย้มแจ่มใสใครเห็นเข้าก็าไม่มีความรังเกียจเพราะหน้าตารัดแขกได้ คนเป็นทุกข์เราไปเห็นเขาเราก็ทุกข์ตามเขาเพราะเหตุใดเพราะหน้าตาของเขาเศร้าหมองสแสดงอากาศจิริยาถาทีเป็นทุกข์คนที่มีความสุขภายในจิตในใจคนทุกข์ไปหาก็มีความสุขความสบายภายในใจเพราะหน้าตาของเขาแจ่มใสไม่มีทุกข์ ทุกข้องใจหรือสุขข้องใจจึงเป็นเครื่องแสดงออกมาภายนอกให้พวกเรารู้จักว่าคนนั้นสุขหรือทุกข์อย่างไรพอเข้าใจกันเราอยากจะสุขโดยส่วนใหญ่คนทั่วไปหรือสัตว์ชอบสุขเบียดทุกข์แต่ไม่มีปัญญาที่จะยินดีพิจร า, สสารณาสัสา์ล่างทุกข์ออกจากใจมีแต่คิด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 ทมสบายปลอดปร่งจึงควรฝึกควรอบรมตัวของตัวเรื่องชั่วเรื่องเสียที่ผ่านไปแล้วทิ้งไปอนาคตยังไหม่มาอย่าไปคว้าหามันปัจจุบนันมันมีอะไรที่จะทำใจให้ยุ่งเยอะปล่อยวางลัทิ้งนี่เป็นอุบายของแต่ละคนจะสอบสึกจิตใจของต่ถ้าหากเรา ยุ่งเหยิงวุ่นวายจิตใจเดือดร้อนเศร้าหมองอย่างนี้ตายไปในขณะที่เป็นอย่างนี้เราจะไม่เสียจีหรือพอจิตใจที่เศรา้าหมองบ่งบอกว่าจะต้องไปสู่ทุกขติเราชอบใจยินดีหรือไม่ทุกขตินรบเปรตอสุรกายสัตว์จิตรสารเราไม่ชอบเรียบสำระอย่าไปเจ็บไปหวงเอาไว้ทิ้งมันไปจิตใจแบบนั้น อารมณ์แบบนั้นฝึกอบรมจิตใจของตนให้ค่องใสให้จิตใจทองตนร่าเริงไม่อัดในทาถึงยังไม่พ้นไปจากกิเลสเมื่อจิตใจทองตนมีอัดทำมีความค่องใสตายไปก็จะต้องสู่สุขติโลกสวรรค์ท่านบอกไว้อย่างนั้นนักปราชญ์จิตส่วนท่าน <c oughs> เคยอบรมศึกษามา เคยพิจารณามาความจริงเป็นอย่างนั้นไม่ผิดเรื่องของจิตเป็นของสําคัญเราเองเป็นเจ้าของของจิตควรจะรักษาควรจะพิจิตพิจารณาถ้าหากเขีนว่าจิตของตัวเป็นของที่มีคุณค่าไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลยให้จิตให้ฟุ้งตามเรื่องต่างๆหากเราสมหวนรักษา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 หาใจดีแหละอะไรก็ดีทุกอย่างจึงควรรักษาใจใจจึงมีคุณค่าว่าเรื่องของกายตายไม่มีคุณค่าตายไปขายได้ไหม <S <S เนื้อหนังเอ็นกระดูกใครเขซื้อกันมีไหมหมูตายไก่ตายยังมีราคาขายได้คนตายไม่มีราคาจะไปหึงไปหวงไปติดไปคล้องไปหลุมไปหลงทําไมที่เจริญนา ให้ถึงใจสอนตัวเองคนที่มีปัญญาที่ารณาอะไรก็เข้าใจชัดเจนเห็ น, นประจับคนที่ทุปัญญาหาปัญญาม่ได้ไปสถานที่ใดก็จะทุกข์ยากลำบากใจเรื่อยไปปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้สดับเราฟังท่านจังหว่าสุตตะมยปัญญาปัญญาเกิด เึ้นจากการสดับรับฟังการเรียนการอ่านจินตามายปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการไข้จิตนิพิจรารณาตามธรรมชาติภาวนาไมายปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากจิตใจสงบภาวนาไมายาปัญญาเป็นปัญญาขั้นสูงสามารถที่จะขับไล่ วิเลตันหามาณทิฏฐิออกจากใจส่วนสุตตามายาปัญญาเป็นทางที่จะดำเนินชีวิตของตัวให้ดีขึ้นยินตามายปัญญาไข ค, คิดติดตามเรื่องต่างๆเพื่อเหตุผลเผื่อสอนตน้องตนไม่ทำชั่วเลือกทำแต่สิ่งที่ดีมีคุณค่าจนเป็นภาวนามมยปัญญา สามารถละกิเลสตัณหาภายในใจให้ตกหลุดออกไปนี่ปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการจัะทำไม่ใช่เกิดขึ้นอยู่เฉยๆก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นไม่ได้ของมีคุณค่าต้องทำถึงเกิดขึ้นได้อย่างกูดีสลาสาลาหรือบ้านช่องของเราก็ต้อง ปูกสร้างขึ้นมันถึงเกิดขึ้นได้แต่ส่วนไม้ใบหญ้าที่ไม่มีคุณค่าไม่ต้องฟูมันเกิดขึ้นเองแต่ไปขายไม่ค่อยได้ผลอะไรหาเราไห้มันเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นตา้งใจสิ่งที่ชั่วที่เสียใจมันเกิดขึ้นใ่ทางที่ดีที่ชอบแต่นั้นเราจรึงควร ที่นี้พิจรารณาหาความดีของใจปลูกศรัทธาเชื่อเลื่อมใสประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตใจของเราก็จะมีความสว่างสวัยมีความเบากายเบาใจมีความสุขภายในนี่คือเกิดจากการกระทำของเร า, าเราไม่ทำมันก็ไม่เกิด ท่านีมีความสุขความสบายภายในใจขอขาอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเชียนของท่านในใจมันเกิดลอยๆอยมาอย่างมันมีเหตุมีผลเราทุกคนเมื่อได้สะดับรับฟังก็งจงนำไปพินิพพานาศึกษาปฏิบัติกายบายใจใจของตัวเพราะชั่วดีมันมีอยู่ในตัวทางนั้น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 และจะเป็นโทษแก่ตัวห้องตัวรีบกำจัดมาไม่อย่างนั้นใจก็จะไม่มีวันสุขวันสบายการศึกษาธรรมะการปฏิบัติจิตใจข้องตัวจึงเป็นหน้กหีของพวกเราท่านทุกคนจะควรสนใจฝึกอบรมดีชั่วต่างๆควรละควรบาเพ็ญอย่างไรให้เป็นสมบัติ ในตัวของตัวเราละชั่วได้มาเท่าไรใจกว่านับวันจะเบาสบายไปเท่านั้นเหมือนกันกับโรคภัยในกายหากเหนียดหายไปเท่าไรก็จะมีความเบาความสบายหากโรคภหนักเข้าเท่าไร ท, ทั้งทั้งที่มีลมหายใจอยู่ก็เดินไม่ได้ลุกไม่ขึ้นนี่คือโรคภัย ของกายโรคภัยของใจก็เหมือนกันถึงจะมีใจอยู่แต่เธาว่าที่เรดตัญหามานาะทิศมาเท่าเท่าไรเป็นโรคภัยของใจใจก็เดือดร้อนใจก็ต้องเต้าหมองขุนมัวแต่นั้นจริงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะควรกำจัดปัดเล่าเรื่องความชั่วทางกายทางวาจาทางใจให้ตกออกไปให้ใจ มีความสว่างสวัยเบาสบายพระพุทธเจ้าสอนมนุษย์เพื่อจะให้รู้จักดีชั่วผิดถูกสอนมีเหตุมีผลคนที่มีสติปัญญาพิจิตรณาแล้วเข้าใจไม่เป็นหมันธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอน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 ตายไปเมื่ อ, อไรก็ไม่ไรคุณค่าในเป็นโมฆะของบุคคลยังมีหวังในภพชาติข้างหน้าหากิเลสตัณหายังไม่หมดหากิเลสตัณหาหมดก็เป็นจบเรื่องของภพของชาติต่อไปการปฏิบัติกายปฏิบัติใจตามธรรมะของพระุทธเจ้ามีคุณค่าสระอย่างนี้ดังนั้นขอทุกท่านเมื่อได้สดับรับฟังแล้วจงนำไปที่นี้ที่เจนศึกษา เห็นว่าเป็นทางที่ดีมีประโยชน์ก็เพิงรีบประพฤติปฏิบัติเห็นว่าเป็นทางที่ชั่วจี๋เสียก็ปัดทิ้งโยนทิ้งเสียาการอธิบายธรรมเห็นว่าพอสมควรเป็นเวลาพออยูุติแขงแก่นี้เยววง